สำหรับเนื้อหาในสุตรตันตปิดกซึ่งประกอบด้วยทีฆนิกายคือหมวดรวบรวมพระสูตรขนาดยาวมชิมานิกายหมวดปานกลางสังยุตนนิกายหมวดประมวลเรื่องประเภทเดียวกันไว้เป็นหมวดหมู่อังคุตรนิกายหมวดจัดลําดับธรรมะไว้เป็นหมวดหมวดตามลําดับตัวเลขมาถึงหมวดสุดท้ายคือคธธกุตตกนิกาย แปลว่าหมวดเล็กน้อยรวบรวมข้อธรรมะที่ไม่จัดเข้าในสี่หมวดข้างต้นมารวมไว้ในหมวดนี้ทั้งหมดซึ่งมีเนื้อหาภายในประกอบด้วยหมวดต่างๆดังนี้หมวดที่หนึ่งขุตกะปาถะว่าได้บทสำหรับสวดซึ่งแต่งเป็นพระสูตรสั้นๆแบ่งออกเป็นแปส่วนคือหนึ่งสาระคมณนะกล่าวถึงบทสวด ถ, ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสามครั้ง 2. ทงสะสิกขาบทว่าด้วยสิกขาบทหรือศีลของสมเณรสิบข้อ 3. อาการ32คือผมขนเล็บปันหนงังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้เล็ก อาหารใหม่อาหารเก่าดีสเลตหนองเลือดเหงือ่อมันค้นน้ำตามันเปลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดมันสมองสปัญหาของสมณเนิสิบข้อถามว่าอะไรชื่อหนึ่งสองสามจนถึงสิบคำตอบมีซ้ำกับทัศกานิบาตอังคุตรนิกาย คือหนึ่งข้อได้แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ได้ด้วยอาหารสองข้อได้แก่น้ำกับรูปสามข้อได้แก่เวทนา3ามสี่ข้อได้แก่อริย ส, สัตสีห้าข้อได้แก่อุปทานนขันห้าหกข้อได้แก่อายตนะภายในหกเจ็ดข้อได้แก่พูชงเจ็ ด, ดข้อได้แก่มักมีองค์แป 9ข้อได้แก่สัตตาวาด9และส0บข้อได้แก่พระอรหันต์ประกอบด้วยองค์สิบมงคลลสูตรพระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาว่าคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมงคลชีวิตมี38ปประการมีการไม่คบคนพาลคบบัณฑิต บูชาคนที่ควรบูชาเป็นต้น 6. รัตนสูตรเป็นบทสวดมนต์พันนาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เราอ้างสัจจะวาจาว่าด้วยการกล่าวความจริงดังกล่าวข้างต้นขอให้สวัสดีมงคลจงเกิดมี 7. ติโรกุทธกัน เป็นเรื่องพันนาถึงเปรตหมายถึงผู้ล่วงรับไปแล้วว่าญาติพี่น้องอุทิศส่วนกุศลไปให้ย่อมสำเร็จแก่ผู้ล่วงรับเหล่านั้นโดยสมควรแก่ฐานะ 8. นิติกันว่าด้วยขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ภายนอกเช่นเงินทองที่บุคคลฝังไว้ในดินอาจบุคคลขุดไป หรือดินเลื่อนเคลื่อนที่หรือฟังแล้วลืมที่ฟังเมื่อสิ้นบุญทรัพย์เหล่านั้นก็พินาศสูญหายไปส่วนทรัพย์ภายในคือบุญไม่มีใครช่วงชิงไปได้เป็นของติดตัวผู้กระทำไปเสมอ 9. กรณียเมตสูตรพร น, นาถึงการแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เจาะจง ขอให้มีความสุขปราศจากเวรภัยโดยทั่วกันหมวดที่สองธรรมประทะาถาหรือธรรมบทเป็นการประมวลบทกวีบรรยายธรรมะมีข้อความลึกซึ้งกินใจภาษากวีไพเราะเข้าใจง่ายและข้อธรรมะก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันมีทั้งหมด423ขาคาถา แบ่งเป็น26วสกวเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาขอคัดมาลงไว้ณที่นี้เพียงบางส่วนผู้ปรารถนาจะทราบโดยละเอียดโปรดอ่านพุทธวจนะในธรรมบทโดยศาสตราจารย์พิเศษสเทียนพงวันปกขอนำบทกวีบางบทมาให้อ่านพอเป็นตัวอย่างดังนี้ 1. ใจเป็นผู้นำทุกสิ่งทุกอย่างใจเป็นใหญ่ ทุกอย่างสาเร็จได้ด้วยใจถ้าคนเรามีใจบริสุทธิ์การพูดการทำก็พลอยบริสุทธิ์ไปด้วยเพราะการพูดการทำอันบริสุทธิ์นั้นความสุขย่อมตามสนองเขาเหมือนเงาติดตามตนสองแต่ไหนแต่ไรในโลกนี้เวณย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวนแต่ระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนนี้เป็นกฎ ต, ตายตัว สามสามัญชนมักนึกไม่ถึงว่าตนกำลังชิบหายเพราะการทะเลาะวิวาทกันส่วนผู้ที่รู้ข้อเท็จจริงนี้ย่อมไม่ทะเลาะกันสผู้ใดเห็นสิ่งไร้สาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งเป็นสาระว่าไร้สาระเขามีความคิดผิดซะแล้วย่อมไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระ 5. คนที่ท่องจำตำราวไว้มากแต่มัวประมาศไม่ปฏิบัติตามคำสอนย่อมไม่ได้รับผลที่พึงได้จากการออกบวชเหมือนเด็กเลี้ยงโคนับโคให้คนอื่นเขา 6. ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทไม่มีวันตาย ผู้ประมาทถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายแล้ว 7. ยศย่อมเจริญแก่คนขยันมีสติมีการงานสะอาดทำงานด้วยความรอบคอบระมัดระวังเป็นอยู่โดยชอบทำไม่ประมาท8ผู้มีปัญญามักไม่ประมาทเมื่อคนส่วนมากพากันประมาท และตื่นเมื่อคนส่วนมากพากันหลับอยู่เขาจะละทิ้งคนเหล่านั้นไปไกลเหมือนม้าฝีเท้าเร็ววิ่งเลยมากระจอกเกจิต ด, ดิ้นรนกลับกรอกป้องกันยากห้ามยากคนมีปัญญาสามารถทำให้ตรงได้เหมือนช่างสอนดัดลูกสอนสิบอีกไม่นาน ร่างกายนี้จากปราศจากวิญญาณถูกทอดทิ้งทับผมแผ่นดินเหมือนท่อนไม้อันหาประโยชน์ไม่ได้สิอมารดาก็ทาให้ไม่ได้บิดดาก็ทาให้ไม่ได้ญาติพี่น้องก็ทาให้ไม่ได้แต่จิตที่ฝึกฝนไว้ชอบย่อมทำสิ่งนั้นให้ได้และทำให้ได้อย่างประเสริฐด้วย ส2องพมรดอมดอมบุพชาติที่หอมหวนและมีสีสดสวยไม่ให้ชอกชำ้ำดูดรสหวานและบินจากไปงุนีเจ้าก็พึ่งเที่ยวไปในบ้านดุจเดียวกัน 13. ไม่ควรแสหาความผิดของผู้อื่นหรือธุระที่เขาทำแล้วหรือยังไม่ทำ ควรตรวจดูแต่สิ่งที่ตนทำแล้วหรือยังไม่ทำเท่านั้น 14. ราตรีนานสำหรับคนนอนไม่หลับระยะทางโยอดหนึ่งไกลสำหรับคนเมื่อล้าสังสารวัตยาวนานสำหรับคนผานผู้ไม่รู้พระสัตว์ธรรมสิบห้า คนโง่มัวคิดวุ่นวายว่าเรามีบุตรเรามีทรัพย์ก็เมื่อตัวเขาเองก็ไม่ใช่ของเขาบุตรและทรัพย์จะเป็นของเขาได้อย่างไร 16. คนโง่รู้ตัวว่าโง่อย่างพอมีทางฉลาดได้บ้างแต่โง่และอวดฉลาดนั่นแหละเรียกว่าคนโง่แท้ 17. คนพาลได้ความรู้มาเพื่อทำลายตน่ายเดียวความรู้นั้นทำลายคุณความดีของเขาสิ้นทำให้มันสมองของเขาตกต่ำไป 18. ทางหนึ่งสแสวงหาลาบทางหนึ่งไปนิพพานรู้อย่างนี้แล้วภิกษุพุทธสาวกไม่ควรใยดีลาบสการะควรอยู่อย่างสงบ สิบเก้าชาวนาไขน้ำเข้านาช่างสอนดัดลูกสอนช่างไม้ถากไม้บัณฑิตฝึกตนยี่สิบขุนเขาย่อมไม่เสะเทือนเพราะแรงลมฉันใดบัณฑิตก็ไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญฉันนั้นยี่สิบเอ็ด ห่วงน้ำลึกใสสะอาดสงบฉันใดบันดิตฟังธรรมแล้วย่อมมีใจสงบฉันนั้น22สิบสองผู้เดินถึงจุดหมายปลายทางแล้ววิมุตตหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงหมดโศกหมดเครื่องปูพันแล้วความร้อนใจก็หมดไปยี่สิบสาม พระอรหันต์เป็นอิสระเพราะรู้แจ้งสงบระงับและมีจิตใจมั่นคงใจของท่านย่อมสงบวาจาก็สงบ ก, การกระทาทางกายก็สงบยี่สิบสไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือป่าไม่ว่าที่ลุ่มหรือดอนพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ณที่ใดที่นั่นเป็นที่เรื่นรม 25บทกวีที่บรรยายทำบทเดียวที่ทำให้ผู้ฟังได้รับความสงบประเสริฐกว่าบทกวีที่ท่องจำได้ตั้งพันสโลกแต่ไม่มีประโยชน์แม้แต่บทเดียว 26. ชนะตนเองดีกว่าชนะค่าศึกเป็นพันพันในสงครามคนเช่นนี้นับว่าเป็นยอดขุนพลแท้ 27. ผู้มีศีลสมาธิมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปีของผู้ทุศีลไรสมาธิ 28. พึงเร่งทำความดีและป้องกันจิตจากความชั่วเพราะถ้ากระทำความดีช้าไปจิตใจจะกลับยินดีในความชั่ว 29. อย่าดูถูกความชั่วเล็กน้อยว่าจะไม่ลผลิผลน้ำตกจากเวหาทีละหยาดทีละหยาด ย, ยังเต็มตุ่มได้คนพาลทำความชั่วทีละเล็กละน้อยก็ย่อมเต็มด้วยความชั่วเช่นกันส0สเมื่อไม่มีแผลคนย่อมจับต้องยาพิษได้ยาพิษไม่สามารถทำอันตรายได้บาป ก็ไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปเช่นกันส1อไม่ว่าบนท้องฟ้าไม่ว่าท่ามกลางมหาสมุทรไม่ว่าในหุบเขาไม่มีแม้แต่ที่เดียวที่ผู้ทำกรรมชั่วอาศัยอยู่จะหนีพ้นกรรมไปได้ส2สสองสัตว์ทั้งหลายกลัวโทษทันสัตว์ทั้งหลายรักชีวิตตนเอง เปรียบตนเองกับคนอื่นอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรฆ่าหรือสั่งให้ฆ่าผู้อื่น 33. ความแก่และความตายไล่ต้อนอายุสัตว์ทั้งหลายไปเหมือนเด็กเลี้ยงโคตอนฝูงโคไปสู่ที่หากิน 34. จะมัวร่าเริงสนุกสนานกันไปทำไม ในเมื่อโลกกำลังลุกเป็นไฟอยู่เนืองนิดพวกเธอถูกความมืดมิดปิดบังอยู่ชนี้ใหญ่ไม่สแสวงหาแสงสว่างกันเล่าส5สิบห้าคนโง่ย่อมแก่เปล่าเหมือนโคถึกมากแต่เนื้อหนังมังสาแต่ปัญญาหาเพิ่มขึ้นไม่36มเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มสาวไม่ทำตัวให้ดี และไม่หาทราบไว้พอถึงวัยแก่เท่าพวกเขาย่อมนอนเป็นทุกข์ทอดถอนใจรำพึงถึงความหลังเหมือนธนูหักที่ใช้ยิงอะไรก็ไม่ได้ส7สสอนคนอื่นอย่างใดควรทำตนอย่างนั้นฝึกตนเองได้แล้วค่อยฝึกคนอื่นเพราะตัวเองฝึกได้แสนยาก ส8คนทุศีลก็เหมือนต้นไม้ที่เถาวันขึ้นจากรกเขาทำตัวเองให้วอดวายมีจำต้องรอให้ศัตรูมาคอยกระทำให้ส9สู่เจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันวิจิตรการตาดังราชรส่งณนะที่นี้แหละเหล่าคนโง่าพากันมกอยู่ แต่ผู้รู้หาค้องอยู่ไม่สี่สิบโลกนี้มืดมนน้อยคนจกเห็นแจ้งน้อยคนจกไปสวรรค์เหมือนนกติดไข่น้อยตัวจะหลุดรอดไปได้ส1สิบอ็ดพระยาหงเหินฟ้าไปหาพระอาทิตย์ผู้มีฤทธ์เหาะเหินเดินอากาศ นักปราดออกไปจากโลกเพราะเอาชนะมารพร้อมทั้งกองทัพ4สบองถึงแม้เงินจะไหลมาดังหาฝนความอยากของคนก็หาอิ่มไม่กามาวิสัยมีความสุขน้อยมากไปด้วยทุกข์รู้ดังนี้แล้วสาวกพระพุทธเจ้ายอมไม่ยินดีกา ม, มารมแม้ที่เป็นทิพย หากแต่ยินดีในทางสิ้นกิเลสตัณหา43บุรุษอาชาในหาได้ยากเขาไม่เกิดในที่ทั่วไปคนชลาเช่นนั้นเกิดในตระกูลใดตระกูลนั้นย่อมรุ่งเรืองด้วยความสุข44ผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมเป็นทุกข์ ผู้ละได้ทั้งความชนะและความแพ้มีจิตใจสงบนั่นแหละเป็นสุข45ความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งความรู้จักพอเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความไว้วางใจกันเป็นญาติอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง46 พยายามในสิ่งที่ไม่ควรพยายามไม่พยายามในสิ่งที่ควรพยายามละเลยสิ่งที่เป็นประโยชน์คนเช่นนี้ก็ได้แต่ริษยาคนที่พยายามช่วยตนเอง47จอย่าติดในสิ่งที่รักหรือไม่รักการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การพบเห็นแต่สิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ส8สิบที่ใดมีรักที่นั่นมีโศกที่ใดมีรักที่นั่นมีภัยเมื่อไม่มีความรักเสียแล้วโศกภัยก็ไม่มี 49. ิบเกผู้ใดยับยั้งความโกรธที่เกิดขึ้นไว้ได้เหมือนสารถีหยุดรถที่กำลังแล่นผู้นั้นเราเรียกว่าสารถีส่วนคนนอกนั้น ได้ชื่อเพียงคนถือเชือกห้าสิบพึงเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเอาชนะความร้ายด้วยความดีเอาชนะคนตรณีด้วยการให้เอาชนะคนพูดพล่อยด้วยคำสัตว์ห้าสิบเอ็ดอตุละเออยเรื่องนี้มีมานานแล้ว ไม่ใช่เพื่งจะมีในยุคปัจจุบันอยู่เฉยเฉยเขาก็นินทาพูดมากเขาก็นินทาพูดน้อยเขาก็นินทาไม่มีใครในโลกที่ไม่ถูกนินทาไม่ว่าอาดีตปัจจุบันคนที่ถูกสรรเสริญหรือนินทาโดยส่วนเดียวไม่มีห้าสิบสองคนมีปัญญา ควรขจัดมนลทินของตนทีละน้อยทีละน้อยทุกๆขณะโดยลำดับเหมือนนายช่างทองปัดเป่าสนิมแร่ทอง 53. สจงรู้เถิดบุรุษผู้เจริญเอ่ยความชั่วร้ายไม่ใช่สิ่งที่พึงจะควบคุมได้ง่ายๆขอความโลภและความชั่วช้าอย่าได้จุดกระชากเธอไปหาความทุกตลอดกาลนานเลย ห้าบสไม่มีไฟใดเสมอไฟราคะไม่มีเคราะห์ใดเสมอโทสะไม่มีขายดักสัตว์ใดเสมอโมหะไม่มีแม่น้ำใดเสมอตันหาห้าสิบห้าโทษคนอื่นเห็นง่ายโทษของตนเห็นยากคนเรามักเปิดเผยโทษคนอื่นเหมือนโปรยกแกลบปิดบังโทษของตน เหมือนนักเรงเตา่าโกงซ้อนลูกเต่าห้าิบหเพียงมีผมหงอกยังไม่นับว่าเทระเขาแก่แต่ไวเท่านั้นคนเช่นนี้เรียกว่าแก่เปล่าห้าสิบเจ็ดพวกเธอจงพยายามทำความเพียรซิแต่บัดนี้ตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้น ผู้ที่เดินทางสายนี้คืออริยามรรคมีองค์แปดผู้ที่เดินทางสายนี้โดยปฏิบัติภาวนาก็จะพ้นจากบ่วงมารห้าิบปัญญาเกิดเพราะการตั้งใจพินิษเสื่อมไปเพราะไม่ตั้งใจพินิษเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรทำตนโดยวิถีทางที่ปัญญาจะเจริญ 59. บุตรก็ป้องกันไม่ได้บิดดาหรือพวกพ้องก็ป้องกันไม่ได้คนเราเมื่อถึงคราวจะตายหมู่ญาติก็ป้องกันไม่ได้ห0สิบผู้ใดปรารถนาสุขเพื่อตนโดยการกอ่อทุกข์ให้คนอื่นผู้นั้นมักเกี่ยวพันด้วยเวรไม่รู้จบสิน้น ไม่มีทางพ้นทางเวรไปได้61การสละโลกีวิสัยออกบวชก็ยากการยินดีในบรรพชาก็ยากการครองเรือนเป็นทุกข์การอยู่ร่วมกับคนไม่เสมอกันก็เป็นทุกข์การท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ควรท่องเที่ยวในสังสารวัตร และไม่ควรแสหาทุกข์ใส่ตน62คนดีย่อมปรากฏเด่นดุดขุนเขาหิมพม า, านคนไม่ดีถึงอยู่ใกล้ก็ไม่ปรากฏเหมือนลูกศรที่เขายิงไปในราตรี63สสถานหนึ่งได้บาปสถานสองได้พบชาติชั่วร้ายในอนาคต สถานสามทั้งคู่มีสุขชั่วแล่นแต่สะดุ้งใจเป็นนิดสถานสี่พระราชาย่อมลงโทษอย่างหนักเพราะฉะนั้นไม่ควรผิดพัญญาผู้อื่น64ทำอะไรละหลวมมีข้อปฏิบัติเศร้าหมองประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่เต็มใจปฏิปทาเช่นนั้น ไม่เป็นไปเพื่อผลอันภัยศาล 65. เราจะอดทนต่อคำส่อเสียดของคนอื่นเหมือนพระยาโคชสารในสนามรบทนต่อลูกสอนที่ปล่อยออกไปจากคันธนูเพราะว่าคนโดยมากมีสันดานชั่ว 66. ม้ามอัสดรมาอาชาในจากกลุ่มสินธุ หรือพระยากุญชรที่ได้รับการฝึกปรือนับเป็นสัตว์ประเสริฐแต่บุคคลผู้ฝึกตนแล้วย่อมประเสริฐกว่านั้น67คนกินจุสลึมสลือกลิ้งเกลือไปมาบนที่นอนเหมือนสุกรที่เขาขุนให้อ้วนด้วยเศษอาหารเป็นคนโง่ทึ่มย่อมเกิดไม่รู้จบสิน้น 68. ปมีเพื่อนตายก็เป็นสุขยินดีเท่าที่ตนหามาได้ก็เป็นสุขทำบุญไว้ถึงคราวจะตายก็เป็นสุขละทุกหมดได้ก็เป็นสุขห9สิบเกเราขอบอกแก่ท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายผู้มาชุมนุมกันณที่นี้จงมีความเจริญ ขอให้ท่านทั้งหลายขุดรากเงาตันหาเหมือนถอนรากหญ้ารกอย่าปล่อยให้มารังควานบ่อยๆเหมือนกระแสน้ำพัดโค้นต้นอ้อฉะนั้นเจ็ดสิบเหล่าสัตว์มีแต่โสมนัสชุ่มชื้นด้วยรักเสน่หาทราบซ่านในกามรมทั้งปวงพวกเขาไปแสวงหาแต่ความสุขสรรหันษา ก็ต้องเกิดต้องแก่ร่ำไป71ธรรมทานชนะการให้ทุกอย่างรถพระธรรมชนะรถทั้งปวงความยินดีในธรรมะชนะความยินดีทุกอย่างความสิ้นตัณหาชนะทุกทุกอย่าง72จงปล่อยวางทั้งอดีตปัจจุบัน และอนาคตไปให้ถึงที่สุดพบเมื่อใจหลุดพ้นจากทุกอย่างแล้วพวกเธอจะไม่มาเกิดจะไม่มาแก่อีกต่อไป73สผู้ไม่ยึดมั่นโดยประการทั้งปวงว่ากูของกูไม่ว่าในรูปหรือนามเมื่อไม่มีก็ไม่เศร้าโศกเขาผู้นั้นแหละเรียกได้ว่าเป็นภิกษุ เจ็ดสิบสี่พิุผู้อยู่ด้วยเมตตาเริ่มใสในพระศาสนาพึงบรรลุสภาวะอันสงบเป็นสุขและระ ง, งับสังขารทั้งหลายเจ็ดสิบห้าพิุเธอจงวิทน้ำออกจากเรือนี้เมื่อวิทน้ำออกหมดแล้วเรือจักแล่นเร็วทำลายราคะโทสะโมหะเสียแล้ว เธอจากไปถึงพระนิพพาน76ถึงจะเป็นภิกษุหนุ่มแต่อุทิศเพื่อพระพุทธศาสนาท่านยอมส่องโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆ77พระอาทิตย์สว่างกลางวันพระจันทร์สว่างกลางคืน นักรบสง่างามเมื่อยามสวมเสือ้อเกราะเตรียมรบพรามสง่างามเมื่อเข้าฌานพระพุทธเจ้าสง่างามทั้งกลางวันและกลางคืน